ในคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะได้ออกจาริกสแสวงหาสถานที่สัปปะยะในการบำเพ็ญธรรมและสั่งสอนชาวบ้านในที่ต่างๆไปเรื่อยๆการพบปะผู้คนทำให้พระเรวตะได้ประสบการณ์มากมายเช่นเห็นความงมงายของชาวบ้านที่ยังหลงพึ่งสิ่งนอกตัวนอกตนเป็นลักษณะเทวนิยมหรือ ได้รับรู้ความทุกข์ของผู้เป็นแม่เมื่อความตายมาพรากลูกไปจากอ้อมอกหรือในบ้านต้องเป็นทุกข์เพราะบ้านถูกไฟไหม้นะคะคนเหล่านี้เมื่อได้ฟังธรรมะจากพระเรวตะแล้วก็ได้ที่เพึ่งทางใจได้ปัญญาคลายความทุกโศกลงได้ขณะที่พระเรวตะพักจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านโกกิล า, ามนั่นเอง มีชายสูงอายุคนหนึ่งชื่อกุมภ ก, กะชาวบ้านยกย่องให้เป็นนักปราชประจำหมู่บ้านในตอนแรกกุมภ ก, กะไม่ให้ความเคารพต่อพระเรวตเะเลยนะคะเพราะเห็นว่าเป็นภิกษุหนุ่มซึ่งก็เป็นธรรมดานะคะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมองคนหนุ่มว่ามีประสบการณ์ไม่เท่ากับตนตนอาบน้ำร้อนมาก่อนตนเก่งกว่าตนมีความสามารถกว่าอะไรทานองนั้นนะคะ แต่หลังจากได้สนทนาสากัชาธรรมะกับพระเรวตะแล้วกลุ่มภกะจึงได้ยอมรับพระเรวตตะอย่างจริงใจเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันต่อนะคะ นาชลากุมภ ะ, ะเริ่มสนทนากับข้าพเจ้าในบ่ายวันหนึ่งว่าพระขุนเจ้าการฆ่าสัตว์นั้นะเป็นบาปไหมคําถามของเขาทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจเพราะไม่น่าจะถามคําถามง่ายๆเช่นนั้นการฆ่าสัตว์ใครๆก็ยอมรับว่าเป็นบาปทั้งสิ้นแต่บางทีอาจจะเป็นหลุมพางทําให้ข้าพเจ้าไปตกก็เป็นได้เพราะกุมภ ะ, ะเลี่ยมจัดมากคนทั้งหมู่บ้าน ไม่มีใครกลา้าประคาลมกับเขาได้เลยแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตอบไปตามหลักว่า mm. การฆ่าสัตว์นา้นเป็นบาปแน่ๆทำไมลึก mm. กุ้งพะกะก็ถามต่อว่าสมมุติว่าเรามิได้ลงมือฆ่าเองแต่สั่งให้คนอื่นฆ่าจะเป็นบาปไหม mm. ข้าพเจ้าก็ตอบว่าบาปเหมือนกัน mm. กุ้งพะกะก็ถามต่ออีกว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่าเอง ทั้งไม่ได้สั่งให้ใครฆ่าแต่เราทําการบางอย่างซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เขาฆ่าโดยทางอ้อมอย่างนี้ละ่ะบาปไหมข้าพเจ้าก็ยืนยันว่าบาปเหมือนกันทําไมจะไม่บาปชายแก่ยิ้มอย่างได้ทีแล้วกล่าวอย่างคึ้บขังว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ทําบาปทุกวันละสิข้าพเจ้าถามอย่างไม่เข้าใจว่าอาตมาทำบาปได้อย่างไรลึะชายแก่บอกว่า กอท่านบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันนี่ข้าพเจ้าตอบแก่ไปว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นบาปดื้อหรือชายแก่ก็ตอบว่าเป็นบาปอย่างไม่มีปัญหาทีเดียวข้าพเจ้าตอบแก่ไปว่าบาปอย่างไรในเมื่ออาตมาไม่เคยคิดระแวงเลยว่าจะเป็นบาปชายแก่ก็แย้งว่าก็ท่านยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าการฆ่าสัตว์เองก็ดีการสั่งให้เขาฆ่าก็ดีการสนับสนุนให้เขาฆ่า โดยวิธีอื่นก็ดีเป็นบาปการบริโภคเนื้อสัตว์นี้เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์อย่างแน่นอนอตาตมายังมองไม่เห็นเลยว่าเป็นการส่งเสริมอย่างไรใช้แก่หัวเราะอย่างได้ทีแล้วกล่าวว่าก็ท่านไม่คิดดอกหรือว่าเพราะมีการกินจึงมีการฆ่าเพราะการกินเนื้อเขาจึงได้ฆ่าเขาถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าเพราะฉะนั้นการกิน จึงเป็นการส่งเสริมการค้าดูก่อนอุบาสกในเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องอยู่สามคนคือคนค้าหนึ่งคนรับซื้อหาเอาไปกินหนึ่งคนรับต่อจากนั้นเอาไปกินอีกหนึ่งขอเรียกง่ายๆว่าคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามถ้าคนที่สามเคารบเร้าคนที่สองและคนที่สองก็ไปรบเร้าคนที่หนึ่งอย่างนี้ทั้งสามคน บาปแน่นอนเพราะส่งเสริมกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าคนที่สองไปส่งเสริมให้คนที่หนึ่งฆ่าสัตว์แล้วซื้อหาเอาเนื้อนั้นมากินเป็นส่วนตนและครอบครัวคนที่สองเห็นคนที่สามนึกสงสารจึงแบ่งเนื้อนั้นมาให้ทานบ้างคนที่สามก็รับไปบริโภคพอเลี้ยงขีพอย่างนี้อัตมาเห็นว่าคนที่สามไม่บาป อาตมาและภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหลายเปรียบได้กับคนที่สามในเวลาเช้าอาตมาอุ้มบาตรเดินไปตามระแวกบ้านด้วยตั้งใจว่าจะรับอาหารจากผู้มีใจบุญมาบริโภคพ่ออย่างชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งชาวบ้านนำอาหารชนิดใดมาใส่บาตรก็รับเอาด้วยอาการอันสำรวมไม่เคยคิดว่าขอให้้าบ้านนาอาหารชนิดนั้นชนิดนั้นมาใส่บาตร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 เขาฆ่าสัตว์กันที่ไหนเมื่อไรทั้งไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเพื่ออัตมาโดยเฉพาะถ้าอัตมาได้เห็นเขาฆ่าได้ยินเขาฆ่าและรู้ว่าเขาฆ่าเพื่ออัตมาโดยเฉพาะอัตมาจะไม่บริโภคเป็นอันขาดถ้าคืนบริโภคจะต้องผิดพุทธบัญญัติอย่างแน่นอนเมื่ออัตมาปฏิบัติตนเช่นนี้จะชื่อว่าเป็นบาปได้อย่างไรเอาเถอะถึงท่านจะไม่เป็นบาปเพราะมิได้สนับสนุนด้วยกายวาจาใจ โดยตรงก็ตามท่านก็จะต้องเป็นบาปในการบริโภคของอันไม่บริสุทธิ์ชายแก่ยังยืนยันความเห็นของตอนต่อไปของไม่บริสุทธิ์อย่างไรหรือข้าพเจ้าถามชายแก่ก็ตอบว่าสมมติว่าชายคนหนึ่งไปปล้นข้าเจ้าทรัพย์เอาของเข้ามาให้ท่านท่านก็รู้อยู่ว่าของนั้นเขาได้มาจากการปล้นมันไม่บริสุทธิ์แต่ท่านก็ยังคืนรับ ของที่ไม่บริสุทธิ์นั้นอย่างนี้จะชื่อว่าท่านปฏิบัติชอบหรือท่านจะพ้นบาปได้ลหรือถ้ารู้ว่าของนั้นเขาปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์นํามาให้แล้วยังคืนรับด้วยใจยินดีก็ไม่พ้นบาปเพราะเท่ากับเป็นการส่งเสริมโจรกรรมยินดีในบาปกรรมนั้นอยู่ถ้าอย่างนั้นการที่ท่านบริโภคเนื้อสัตว์ก็เป็นบาปเพราะว่าเนื้อเป็นของไม่บริสุทธิ์ เป็นของที่ได้มาจากการปล้นค่าชีวิตร่างกายของสัตว์อื่นไม่มีสัตว์ใดที่จะยอมมอบศีรษะร่างกายของตนให้แก่คนได้ง่ายกว่าจะฆ่ามันได้มันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนจนสุดความสามารถเมื่อทานกำลังของคนไม่ไหวจึงยอมตายด้วยความโกรธแค้นและพยาบาทมาร้ายอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นเนื้อทุกชิ้นที่ท่านบริโภคจึงชื่อว่าได้มาด้วยการปล้น เป็นของไม่บริสุทธิ์เมื่อท่านกินของไม่บริสุทธิ์เช่นนั้นจะไม่เป็นบาปได้อย่างไรเหตุผลของท่านหลักแหลมหน่าฟังมากเอาละตกลงอัตามาจะพยายามเลิกบริโภคเนื้อสัตว์เพราะเถียงอย่างไรเถียงเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าอัตามาเถียงเพื่อที่จะกินมันอยู่มันดูไม่ดีเหมือนกันแหละทางที่ดีแล้วถ้าเลิกได้แล้วก็เป็นดีที่สุดแล้วท่านละ่ะเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วหรือยัง กุ้มประกะนั่งนิ่งเพราะเขาก็ยังไม่ได้เลิกกินเนื้อสัตว์อัตมาว่าทางที่ดีที่สุดเราควรจะเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ให้ได้ก่อนดีกว่าอย่ามัวมาเถียงกันอยู่เลยเหนื่อยเปล่าๆดูก่อนท่านผู้มีอายุ ในที่สุดข้าพเจ้าก็จากหมู่บ้านโกกีลาคามไปพวกชาวบ้านตามไปส่งข้าพเจ้าสิ้นระยะทางประมาณกึ่งโยธแล้วก็กลับแทบทุกคนมีน้าตาหนองหน้าด้วยความอาลัยคิดถึงข้าพเจ้าอันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องพงพันของเขาแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็เคารพนับถือข้าพเจ้าอย่างจริงใจไม่ยอมให้ข้าพเจ้าจากเขาไป อยากให้ข้าพเจ้าอยู่ด้วยจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ข้าพเจ้าก็อยู่กับเขาตลอดไปไม่ได้เพราะหน้าที่ของข้าพเจ้าคือการท่องเที่ยวไปในโลก ก, กว้างใหญ่ไพศาลดุดนกน้อยที่บินไปในนภาอากาศดุดปลาที่แหวกว่ายไปมาในมหาสมุทรอิสรภาพในการท่องเที่ยวคือยอดปรารถนาของข้าพเจ้าความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่กลัวตายคือพาชนะ ที่นำเข้าพเจ้าไปความดีคือเกราะที่ข้าพเจ้าใช้ป้องกันตัวตลอดมาเพราะความดีนี้เองคนที่มารู้จักกับข้าพเจ้าจึงรักข้าพเจ้าเป็นสุขใจเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยอะไรรักเมื่อข้าพเจ้าจากไปความดีอยู่ที่ไหนความดีก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนทุกคนมีความดีความชั่วเท่าๆกัน แต่ทำไมคนนั้นจึงดีคนนั้นจึงชั่วเพราะคนดีเขาฉลาดเขาเก็บความชั่วไว้เสียและเอาแต่ความดีออกมาใช้เอาแต่ความดีออกมาอวดผู้อื่นเขาคิดดีต่อผู้อื่นพูดดีต่อผู้อื่นทำดีต่อผู้อื่นคนจึงรักเขาคนชั่วเป็นคนโง่เขาเก็บความดีไว้เสียเอาแต่ความชั่วร้ายออกมาใช้เอาแต่ความชั่วออกมาอวดผู้อื่น คิดชั่วต่อผู้อื่นพูดชั่วต่อผู้อื่นคนทั้งหลายจึงเกลียดชังเขาเขากลายเป็นคนที่เป็นตัวเสียดในสังคมท่านผู้มีอายุคนเราทุกคนอยากให้คนรักตนอยากให้คนอื่นนิยมชมชอบตนแล้วก็ทําให้เขารักตนนิยมตนด้วยวิธีต่างๆใช้อํานาจบังคับบ้างใช้ทรัพย์ล่อบ้างใช้คถาอาคมบังคับบ้างวิงวอนเทพเจ้า ให้ช่วยดวนใจเขาบ้างแต่หาได้ผลสมบูรณ์ไม่เพราะวิธีเหล่านั้นเป็นวิธีภายนอกความรักที่เกิดจากวิธีเหล่านั้นจึงเป็นความรักที่ผิวเผินคลอนแคลนไม่มั่นคงถาวรวิธีที่ดีที่สุดก็คือความดีที่คิดดีต่อเขาทำดีต่อเขาทำดีต่อเขาแล้วเขาจะรักเคารพนับถือเราอย่างลึกซึ้งมั่นคงตลอดไป ข้าพเจ้าใช้ความดีนี่แหละเป็นการป้องกันตัวที่ได้รับความสวัสดีตลอดระยะทางอันยืดยาวที่ข้าพเจ้าท่องเที่ยวมาดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อจากชาวบ้านโกกีลาคามไปแล้วข้าพเจ้าก็ยังคิดถึงเขาอยู่ทั้งนี้ก็เพราะความดีของเขานั่นเองแต่ถึงตอนนั้นข้าพเจ้าพยายามข่มใจให้ลืมเขาเสียเพราะความอะไรคิดถึงไม่ว่าจะคิดถึงคน คิดถึงวัตถุสิ่งของย่อมทำให้จิตใจหม่นหมองซบเซาไม่สบายในที่สุดคำว่าโกกีลาคามก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความจำข้าพเจ้าเดินทางต่อไปอิสระเสรีมุ่งหน้าสู่พระนครราชครุนครหลวงแห่งมคตรับอันรือชาในระหว่างทางนั้นข้าพเจ้าก็ได้พบกับคนหลายจำพวก ข้าพเจ้าได้หยุดสนทนากับเขาแสดงพุทธธรรมแก่เขาอย่างเขาให้ร่าเริงในสมาปฏิบัติแล้วก็ผ่านไปบ่ายวันหนึ่งในต้นฤดูคิมหันนั่นเองขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินทางอย่างเร่งรีบ เพื่อไปให้ถึงหมู่บ้านก่อนเวลาค่ำแสงแดดแผดจ้าประดุจว่าพระอาทิตย์เพิ่มจำนวนขึ้นอีกถึงสามดวงแม้จะมีลมพัดบ้างก็เป็นลมที่เต็มไปด้วยฝุน่นความร้อนของแสงอาทิตย์และความกระหายน้ำทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นกำลังจึงแวะเข้าไปพักใต้ร่มไม้ข้างทางพอนั่งลงไม่นานก็ม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่า เป็นเวลายเย็นมากแล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นมองไปรอบๆตัวและได้พบกับภาพอันน่าสะเพรัวตั้งอยู่เฉพาะหน้า<ตรง islands>เสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งกำลังนั่งเลียปากอยู่ข้างข้าพเจ้าห่างออกไปประมาณห้าวาท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเวลานั้นรู้สึกอย่างไร แต่ที่แน่ที่สุดก็คือตกใจกลัวจนตัวแข็งไปทีเดียวอาวุธชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวจะวิ่งก็ไม่ทันคิดว่าวาระสุดท้ายของข้าพเจ้าคงจะมาถึงแล้วในที่สุดการเดินทางอันยืดยาวของข้าพเจ้าก็มาสิ้นสุดลงที่ปากเสือนี่เองเสือโคร่งใหญ่นั่งเรียปากจ้องมองดูข้าพเจ้าอย่างหิวกระหายเมื่อไม่เห็นมีทางอื่นที่จะเอาตัวรอดได้ ข้าพเจ้าจึงใช้วิธีที่พระอริยเจ้าทั้งหลายปฏิบัติสืบสืบกันมาข้าพเจ้าพยายามเรียกความเข้มแข็งทั้งหมดคืนมาไว้ที่ใจตั้งจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าสละเพศฆราวาสออกมาบวชในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาข้าพเจ้าสละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งชีวิตร่างกายนี้ถ้าแม้ว่าในชาติปางก่อนข้าพเจ้าเคยก่อ ก, กรรมทําเวรไว้กับเสือตัวนี้ก็ขอให้เสือตัวนี้จงหักคอข้าพเจ้ากินเป็นอาหารเสียข้าพเจ้ายินดีพลีชีพใช้นี่กรรมเก่าให้หมดไปแต่ถ้าแม้นว่าเราไม่เคยมีกรรมมีเวรต่อกันมาในชาติก่อนขอให้เสือตัวนี้จงหลีกทางไปตามทางของตนข้าพเจ้า ก็จะไปตามทางของข้าพเจ้าต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุพอข้าพเจ้าอาธิษฐานจบเท่านั้นเสือโคร่งใหญ่ก็กระโดดหายเข้าไปในป่าดุ ป, ปาฏิหารข้าพเจ้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกประดุดมีผู้มายกภูเขาใหญ่ออกไปจากตัวขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกคล้ายกับตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวคว้าไดบาดและกรดแล้ว ข้าพเจ้าก็รีบเดินทางต่อไปโดยไม่หันไปมองข้างหลังอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ผเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและเอาตัวรอดได้อย่างน่าอาัศจรรย์แต่ในเวลาต่อมาการผาเผชิญภัยเช่นนี้ก็กลายเป็นของธรรมดาสำหรับข้าพเจ้า เมื่อถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นนับเป็นเวลาค่ำมากแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมดินอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างถนนทางขวามือมีแสงไฟพุ่งออกมาจากประตูที่เปิดไว้ข้าพเจ้าตรงไปยังกระท่อมหลังนั้นเพื่อขอบินทบาทน้ำดื่มแก้กระหาย แล้วจะไปหาที่พักภายนอกหมู่บ้านเจ้าของกระท่อมเป็นชายขนาดกลางคนท่าทางล่ำสันบึกบึนแต่ให้การต้อนรับแก่ข้าพเจ้าด้วยความอ่อนน้อมยิ่งขอเชิญท่านเข้ามาพักข้างในก่อนเถิดข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านตามมีตามเกิดขอเชิญท่านนั่งบนตังนั้นข้าพเจ้าจะไปจัดหาอะไรมาต้อนรับท่านว่าแล้วเขาก็เดินหายไป ทางด้านหลังกระท่อมแล้วก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดอาหารเชิญท่านบริโภคอาหารเหล่านี้ตามความประสงค์เถิดเขากล่าวพลางวางถาดอาหารลงข้างหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ต้อนรับสมณพราหมณ์มานานแล้วนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าทีเดียวที่ท่านแวะเข้ามายังกระท่อมของข้าพเจ้าขอขอบใจท่านมากอุบาสก แต่ท่านคงไม่เข้าใจธรรมเนียมของสมณะธรรมดาสมณะย่อมไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันไปอาตมาเป็นสมณะจึงไม่อาจบริโภคอาหารฉลองศรัทธาของท่านได้ชายเจ้าของบ้านมองดูข้าพเจ้าอย่างไม่พอใจแล้วกล่าวว่าเอ๊ะแต่ดูท่านเหน็ดเหนื่อยและหิวมากนี่นะข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะบริโภคอาหาร ก็คงจะไม่เสียหายแต่อย่างใดละมังจริงอยู่ในการบริโภคอาหารไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเสียหายอยู่ที่ว่าอัตมาล่วงละเมิดพระวินัยของสมณะที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้นั้นต่างหากท่านดูออกจะกเคร่งคลัดต่อระเบียบวินัยเกินไปเสียแล้วละ่ะเจ้าของบ้านกล่าวยิ้มยิ้มเคร่งครัดเกินไปก็ทาให้ตัวเองลำบากนะท่าน ข้าพเจ้าเห็นว่าคราวจำเป็นเช่นนี้ควรจะฝ่าฝืนระเบียบวินัยเสียบ้างดูก่อนอุบาสกคนในโลกนี้มีสองจำพวกจำพวกหนึ่งดึงเอาระเบียบวินัยเข้ามาหาตัวถือตนเป็นสำคัญกว่าระเบียบวินัยคนจำพวกนี้เป็นผู้ทำลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งไว้เพื่อความสงบสุขในชุมนุมชน จะถูกพวกนี้ทําลายหมดแต่นับว่าเคราะห์ดีอยู่มากที่คนจําพวกนี้มีอยู่จํานวนน้อยมากถ้ามีมากๆกฎหมายบ้านเมืองจะถูกทําลายหมดบ้านเมืองจะกลายเป็นบ้านที่ไม่มีคือมีแปรความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดมีทุกหย่อมย่าอีกจําพวกหนึ่งชอบดึงเอาตนเข้าไปหาระเบียบวินยัยถือระเบียบวินัยสําคัญกว่าตน เมื่อจะทําจะพูดอะไรต้องคิดดูอย่างรอบคอบสิก่อนว่าการทําการพูดนั้นจะขัดกับระเบียบวินัยข้อใดหรือไม่ถ้าเห็นว่าขัดเขาก็จะไม่ทําเป็นอันขาดแม้ตนจะได้รับความลาบากเพียงใดก็ยอมคนจําพวกนี้จัดว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาระเบียบของสังคมสังคมใดมีคนประเภทนี้อยู่มากสังคมนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุข ตลอดไปดูก่อนอุบาสกอัตมาเป็นคนจำพวกหลังนี้การบริโภคอาหารในยามวิการเป็นการฝ่ากฝืนวินัยของพระบรมศาสดาเพราะฉะนั้นอัตมาจึงไม่อาจทำได้อัตมา ร, รู้สึกหิวเหลือประมาณแต่ก็ยินดีที่จะเลือกเอาตายเพราะความหิวมากกว่าที่จะฝ่าฝืนพระวินัยของพระบรมศาสดาชายเจ้าของบ้าน นั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานคำพูดของข้าพเจ้าคงทําให้เขาต้องคิดทบทวนเหตุผลบ้างท่านสมณะผู้เจริญเขากล่าวขึ้นในที่สุดเมื่อได้ทราบความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านที่จะรักษาพระวินัยยิ่งกว่าชีวิตเช่นนี้ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเคารพยำเกรงในท่านขึ้นอีกเป็นทวีคูณข้าพเจ้าต้องขออภัย ได้ชักชวนให้ท่านบริโภคอาหารเพราะความไม่รู้ว่าท่านเป็นคนจริงคนหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าพบมาดูก่อนอุบาสกคนเราเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเป็นอะไรแล้วก็ควรเป็นให้จริงๆ จ, งจึงจะใช้ได้ถ้าเป็นอย่างครึ่งกลางกลา ง, ง, งอย่าเป็นเสฉยๆจะดีกว่าอาตมาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นพระในพระพุทธศาสนา ก็ต้องเป็นพระที่แท้จริงระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ที่ทําให้ตนเป็นพระมีอยู่เท่าใดก็ต้องปฏิบัติตามให้ครบทั้งหมดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเต็มที่ถ้าปฏิบัติได้เพียงครึ่งๆกลางๆผู้นั้นก็หาได้ชื่อว่าสมบูรณ์ไม่ผู้ใดประกาศตนว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ทั้งๆ ท, ท, ที่ตนทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ของพระไม่ได้อย่างเต็มที่ผู้นั้นชื่อว่า กำลังหลอกลวงฝูงชนท่านสมณะพูดเจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการแต่อย่างสงสัยว่าระเบียบวินัยที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างท่านจะพึงปฏิบัตินั้นมีจำนวนมากน้อยเท่าใดหรือ ว, วินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุมีอยู่227สิขาบทชายเจ้าของบ้านแสดงความประหลาดใจแล้วกล่าวว่า โอ้โหต้อง227สิบขาบทชฉยรืช่างมากมายอะไรเช่นนั้นแล้วท่านจะปฏิบัติตามได้ครบสมบูรณ์ได้อย่างไรล่ะอัตมาปฏิบัติไปครบบริบูรณ์ได้อย่างสบายอย่าว่าแต่วินัยถึง227สิบขาบทเลยแม้จะมีมากกว่านี้สักร้อยเท่าอัตมาก็ปฏิบัติตามได้หมดอย่างสบายเช่นเดียวกันท่านสมณะผู้เจริญท่านทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยยิ่งขึ้น กรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยว่าท่านรักษาได้อย่างไรข้าพเจ้าเป็นคารวะรักษาศีลเพียงห้าสิกขาบทก็แทบจะรักษาไม่ไหวอยู่แล้วดูก่อนอุบาสกสำหรับคนที่ตั้งใจรักษาแล้วถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันสิกขาบทเขาก็รักษาไว้ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ตั้งใจรักษาอย่าว่าแต่ห้าสิกขาบทเลยแม้แต่สิกขาบทเดียวก็รักษาไว้ไม่ได้ ความตั้งใจที่จะรักษาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นนี่แหละคือศีลอันแท้จริงส่วนความชั่วทั้งหลายที่ท่านจำแนกไว้เป็นสข้อบ้าง8ข้อบ้าง22ข้อบ้าง227ข้อบ้างนั้นไม่ใช่ตัวศีลเป็นแต่เพียงประเภทของความชั่วที่ท่านบรรยายไว้ให้ทราบว่าจะต้องเว้นจากอะไรบ้างเท่านั้นตัวศีลที่แท้จริงก็คือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาหรือที่ทางพระท่านเรียกว่าวิรัติเจตนาอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้สมมุติว่าท่านเป็นนายโคบาลเลี้ยงโคไว้227ตัวถ้าท่านจะต้องการรักษาโคเหล่านี้ไว้ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในที่แห่งเดียวกันท่านอาจจะทําได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านจะต้องจับพันไม้ ยืนคอยอยู่ว่าโคตัวไหนกําลังจะแตกฝูงเมื่อเห็นแล้วท่านจะต้องรีบวิ่งไปไล่ต้อนโคตัวนั้นให้กลับฝูงขณะที่ตัวนี้กําลังเข้าฝูงตัวอื่นก็เริ่มออกอีกท่านต้องรีบวิ่งไปไล่ตัวนั้นบางทีก็ออกจากฝูงทีละหลายตัวท่านต้องทํางานหนักวิ่งไปมารอบรอบฝูงโคไม่ได้หยุดหย่อนวิธีที่สองท่านไม่ต้องไปเสียเวลา ไล่ต้อนโคทีละตัวให้ลาบากเพียงแต่ปักหลักใหญ่ลงไปอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เอาเชือกผูกโคทั้งสองยิเจ็ดตัวนั้นมารวมผูกไว้ที่หลักแห่งเดียวโดยวิธีนี้ท่านก็ไม่ต้องวิ่งวุ่นคอยไล่ต้อนโคท่านเพียงแต่ยืนอยู่ที่หลักนั้นเป็นครา้งคราวตราบใดที่หลักยังมั่นคงแข็งแรงอยู่วัวจะไม่หนีได้เป็นเด็ดขาด ดูก่อนอุบาสกวัวดังกล่าวในตัวอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนกับศีลหรือระเบียบวินยัยข้อหนึ่งหนึ่งหลักที่ผูกวัวไว้ก็เปรียบเสมือนความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วที่เรียกว่าวิรัตเจตนาแล้วไม่ว่าศีลจะมีกี่ข้อท่านจะรักษาศีลได้หมดฉะนั้นวิธีรักษาศีลอันถูกต้องก็คือรักษาใจของท่านเองใจที่ยินดีแต่ในบุญกุศล เกลียดนายต่อความชั่วทุกชนิดนั่นแหละคือใจที่มีศีลหัวใจของศีลอยู่ที่นี่ถ้าจะรักษาศีลต้องรักษาที่หัวใจของศีลนี้ในทางบ้านเมืองพระราชามหากษัตริย์ได้ทรงออกพระราชากําหนดกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากมายถ้าจะนับเป็นมาตราก็มีจํานวนเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวบางทีประชาราษฎร เขาไม่รู้สึกเสียด้วยซ้ำไปว่ากฎหมายอะไรบ้างมีกี่มาตราแต่เขาก็อยู่กันได้อย่างสงบราช บ, บุรุษจะมาจับเขาไปใส่เครื่องพันธนาการก็ไม่ได้เพราะเขาปฏิบัติตามกฎหมายดีอยู่ความจริงเขาหารู้ไม่ว่ากฎหมายมีอะไรบ้างแต่ทําไมจึงปฏิบัติถูกเพราะเขาปฏิบัติหัวใจของกฎหมายทั้งหมดมีหัวใจเพียงสองเท่านั้นคือ สุดจริตกับยุติธรรม พูดอะไรขอให้สุจริตและยุติธรรมเถิดแม้ท่านจะไม่รู้กฎหมายเลยก็จะไม่มีวันผิดกฎหมายเมื่อข้าพเจ้าอธิบายมาได้เพียงเท่านี้ชายเจ้าของบ้านก็เกิดความเคารพเลื่อมใสในตัวข้าพเจ้าอย่างแท้จริงเขานิมนให้ข้าพเจ้าพักค้างคืนที่บ้านของเขาข้าพเจ้าเห็นว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีลูกเมียจึงตกลงใจพักที่กระท่อมของเขา ในตอนดึกเราได้สนทนากันอีกในปัญหาต่างๆชายเจ้าของบ้านได้เล่าชีวิตของเขาให้ข้าพเจ้าฟังชีวิตของเขาระหกระเหินเช่นเดียวกับชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ปลอบใจเขาด้วยธรรมะทาให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่โดยวิถีทางอันชอบธรรมต่อไปเขาได้เล่าถึงสภาพของหมู่บ้านให้ข้าพเจ้าฟังด้วย ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปอีกไม่ได้เสียแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วๆนี้แหละทําไมล่ะอุบาสกข้าพเจ้าถามการทํามหาเลี้ยงขีพที่นี่ก็สะดวกดีไม่ใช่หรือสะดวกดีมากแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็เห็นจะต้องไปเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในหมู่บ้านนี้และข้าพเจ้า ก็ไม่มีทางจเจ้าชนะสิ่งนั้นเสียด้วยเขากล่าวพลางเอามือลูบคลางอย่างใช้ความคิดสังเกตดูมีแววแห่งความไม่สดชื่นอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาทำให้กาปเจ้าเกิดความกระหายอยากจะรู้ขึ้นมาทันทีอุบาสกถ้าท่านคิดว่าอัตามาจะเป็นที่พอไว้วางใจได้ก็ขอได้โปรดเล่าให้ตามาฟังด้วย บางทีอาตมาอาจจะมีทางช่วยเหลือท่านได้ขอบพระคุณท่านอย่างสูงในความปรารถนาดีของท่านว่าแล้วเขาก็กระเถิบมาข้างๆเตียงของข้าพเจ้าแล้วเล่าเรื่องราวของเขาให้ข้าพเจ้าฟังด้วยเสียงเบาๆ ว, ว่าท่านผู้เจริญสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในบ้านนี้ก็คือตัวในบ้านนั่นเองเขาเป็นในบ้านผู้ร่ำรวยมีที่นามากมายชาวบ้านทั้งหมด อาศัยนาของเขาทํากินเลี้ยงชีพโดยแบ่งผลิตผลให้เขาครึ่งหนึ่งทุกปีบางปีเมื่อการทํานาไม่ได้ผลชาวบ้านก็อยู่ในฐานะลําบากเพราะข้าวไม่พอกินต้องไปกู้ยืมข้าวในบ้านมาเลี้ยงลูกเมียพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวผลิตผลข้าวที่ได้ผลก็พอสําหรับใช้หนี้ในบ้านเท่านั้นชาวบ้านบางคน ก็เด้กลายเป็นทาสของนายบ้านไปแล้วอย่างสมบูรณ์ท่านผู้เจริญนายบ้านของเราเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุณมากไม่มีความกรุณาสงสารผู้ใดเลยเขาถือว่าเขามีอํานาจและมีทรัพย์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเขาอยากจะทําอะไรตามความประสงค์ของตนไม่คํานึงถึงว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไรขอให้ตนร่ํารวยและสบายก็พอ เวลานี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับอยู่ในตารางปีหน้าขอให้ฟ้าฝนอนํานวยให้ดีๆด้วยเถิดทํำนาได้ข้าวพอที่จะใช้นี่ในบ้านหมดแล้วข้าพเจ้าก็จะรีบหนีไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีเรื่องของในบ้านเจ้าของบ้านทําให้ข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งรู้สึกสงสารเขาและชาวบ้านทุกคนเป็นกําลัง อยากจะช่วยเขาให้พ้นจากสภาพอันน่าสงสารนี้แต่บางทีก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเขาเราล้างมือจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ควรจะนำตนเข้าไปยุ่งด้วยแต่ความสงสารมีกำลังมากกว่าเข้าไเจ้าจึงตัดสินใจที่จะช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้เข้าพเจ้าจึงบอกกับชาบ้านไปว่าดูก่อนอุบาสกอาตมารู้สึกสงสารท่านมาก อาตมาจะพยายามหาทางช่วยเหลือท่านชาบ้านทั้งหลายแต่จะช่วยโดยวิธีใดนั้นให้อาตมาคิดดูก่อนต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็นอนคิดหาอุบายชายเจ้าของบ้านก็หลับไปเพราะว่าเป็นเวลาดึกมากแล้ว บ่ายวันลุงขึ้นนั่นเองข้าพเจ้าก็เริ่มทำงานตามนโยบายที่คิดไว้ข้างหน้าบ้านของในบ้านมีสนามกว้างขวา ง, วางมีต้นไม้ขึ้นร่มเย็นเด็กๆชาวบ้านชอบไปเล่นกันที่สนามแห่งนั้นตัวในบ้านเองก็ชอบไปนั่งที่ประตูเลือนมองดูเด็กๆ เ, เล่นกันบ่ายวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งไปเล่นอยู่ก่อนเพื่อนเขาขนก้อนอิฐไปก่อเป็นรูปสถูปสูงขึ้นไป แค่อกของตัวเองและก็เอาก้อนอิฐพิเศษก้อนหนึ่งขึ้นไปวางไว้บนยอดเขาสะถูปนั้นเสร็จแล้วก็นั่งลงมองดูผลงานของตนเองด้วยความพอใจครู่หนึ่งจึงเอามือชักก้อนอิฐที่อยู่ข้างล่างออกสองซ้ำแผ่นทันใดนั้นเองอิฐที่อยู่ข้างบนรวมทั้งก้อนอิฐที่อยู่บนยอดก็พังทลายลงมาครั้นแล้วเด็กคนนั้นก็ก่อสถูปขึ้นไปใหม่ ก่อเสร็จก็ทําทลายเสียโดยชักก้อนอิฐที่อยู่ข้างล่างออกเขาทําลายอยู่เช่นนั้นซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในบ้านนั่งเฝ้าดูการเล่นของเด็กคนนั้นด้วยความสนใจขณะที่เด็กคนนั้นกําลังเล่นอยู่อย่างเพลิดเพลินนั่นเองเข้าพเจ้าก็เดินผ่านไปแล้วก็แวะเข้าไปพักใต้ร่มไม้ข้างๆเด็กคนนั้นโดย ท, ทําทีเป็นไม่เห็นในบ้านที่กําลังนั่งดูอยู่ที่ประตู ข้าพเจ้ารอโอกาสจนเด็กก่อดสถูปด้วยแผ่นอิดเรียบร้อยแล้วจึงถามขึ้นว่าพ่อหนูเจ้ากําลังทําอะไรเลือเด็กคนนั้นก็ตอบว่าผมกําลังเล่นก่อดสถูปเด็กน้อยตอบพลางวางแผ่นอิดพิเศษไว้บนยอดของสถูปอย่างระมัดระวังทําไมเจ้าจึงวางแผ่นอิดนั้นไว้บนยอดสถูปเล่าข้าพเจ้าถามเด็กก็ตอบว่า ผมสมมุติว่าเป็นพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์จึงต้องวางไว้บนยอดสถูปเหนือแผ่นอิฐอื่นๆเจ้าเล่นเข้าทีมากนะเจ้าหนูถ้าอิฐแผ่นที่อยู่บนยอดเป็นพระราชาแผ่นอิฐทั้งหลายที่รองรับอยู่ข้างล่างก็เปรียบเสมือนเหล่าเสนาข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินนะสิข้าพเจ้ากล่าวเป็นทํานองสนับสนุนถูกแล้วครับ เด็กน้อยกล่าวอย่างน่าเอินดูแล้วก็นั่งลงเล็งแหลผลงานของตนเมื่อดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ชักแผ่นอิดข้างล่างออกทำให้แผ่นอิดทั้งหลายที่อยู่ข้างบนเสียหลักพังโครมลงมา ท, าทันทีอ้าวพ่อหนูทำไมสถูป ข, ของเจ้าจึงพังลงมาเสียเล่าพระราชาที่สถิตยอยู่บนยอดมีพังลงมาด้วยหรือข้าพเจ้าถามด้วยเสียงดังกว่าปกติเล็กน้อย กบพระราชาก็ต้องพังลงมาด้วยนะสิเด็กน้อยตอบพังหวเราะอย่างร่าเริงเพราะว่าผมชักแผ่นอิดที่ร้องรับอยู่ข้างล่างออกที่อยู่บนแผ่นอิดข้างบนจึงได้พังลงมาหมดพ่อหนูเอ้ยการเล่นของเจ้านี่ช่างมีคติจริงๆฉันได้ความรู้ใหม่จากการเล่นของเจ้าแล้วคือว่าแผ่นอิดของเจ้าสมมติให้เป็นพระราชาจะคงอยู่บนยอดสะถูกได้ก็เพราะ อาศัยแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างเป็นเครื่องเทิดทูลรองรับถ้าเมื่อใดแผ่นอิดที่อยู่ข้างล่างไม่รองรับไว้อิดที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอิดทุกๆแผ่นจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทรงรูปเป็นสถูปอยู่ได้ถ้าอิดแผ่นที่สูงสุดเข้าใจว่าตัวดีเด่นกว่าแผ่นอื่นๆหมดเป็นพระราชาของแผ่นอื่นๆ ไม่ต้องอาศัยใครดังนี้จะเป็นความเข้าใจผิดแน่พ่อหนูเอ๋ยการเล่นของเจ้าเป็นเครื่องสอนใจชั้นอย่างดีทีเดียวการเล่นของเจ้าทําให้ชั้นเข้าใจในสภาพของสังคมมนุษย์ได้ดีขึ้นมาอย่างมากทีเดียวฉันเพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองว่าบางคนเมื่อมีอํานาจมีทรัพย์มียศสูงกว่าผู้อื่นก็มักจะเข้าใจผิดไปว่าตนวิเศษที่สุดแล้ว ไม่ต้องอาศัยใครเป็นอยู่ตนคิดอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่ได้คานึงถึงหัวอกผู้อื่นผู้อื่นระกรมลำบากอย่างไรก็ช่างขอให้ตนสบายก็พอเป็นการเข้าใจผิดอย่างชัดๆทีเดียวเพราะขณะที่เขาประกาศว่าเขาไม่ได้อาศัยใครอยู่นั่นเองเขากำลังอาศัยผู้อื่นอยู่แล้วดุดดังแผ่นอิฐที่อยู่บนยอดสถูกได้เพราะอาศัยอิฐหลายๆแผ่น ที่รองรับอยู่ข้างล่างฉะนั้นเด็กน้อยนั่งฟังข้าพเจ้าสาธยายอยู่ข้างๆกองอิฐอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจแต่จุดประสงค์ของข้าพเจ้าหาได้อยู่ที่เด็กน้อยคนนั้นไม่แต่อยู่ที่ในบ้านซึ่งนั่งอยู่ที่ประตูเรือนต่างหากพ่อหนูเอ๋ยคนที่ร่ารวยทรพย์ก็มักจะเกิดความหยิ่งยะโสว่าตนรวยแล้วไม่ต้องงอนง้อใคร ไม่ต้องพึ่งใครทั้งๆที่ตนกําลังพึ่งผู้อื่นอยู่ทุกประตูพึ่งอย่างไรคนรวยๆอย่างนั้นแหละถ้าเราจับเขาไปใส่ไว้ในเรือสัาเภาพร้อมด้วยเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนําเขาไปปล่อยไว้กลางหมหาสมุทรคนเดียวจดตายเขาจะยอมไหมไม่ยอมแน่นอนเพราะถ้าไปอยู่กลางหมหาสมุทรคนเดียวเงินทองจํานวนโกรธก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์ จะเอาโยนลงน้ำปลาก็ไม่เอาใจใส่จะโยนขึ้นไปบนอากาศนกก็ไม่เดืวแลเมื่อไม่มีใครรับรองค่าของเงินเสียแล้วเงินก็กลายเป็นเศษโลหะที่ไหลค่าเงินจะมีค่าอยู่ได้คนเราจะร่ารวยอยู่ได้ก็เพราะคนทั้งปวงยอมรับค่าของเงินฉะนั้นคนเราจะรวยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยการรับรองจากคนอื่นจึงชื่อว่าพึ่งผู้อื่น เป็นอยู่โดยตรงดูก่อนพ่อหนูน้อยผู้ใดได้ราบได้ยศแล้วมัวเมาเข้าใจตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนผู้น้อยผู้นั้น เท่ากับกําลังทําลายรากฐานเครื่องรองรับของตนเองในไม่ช้าตนเองก็จะพังทลายลงมาเหมือนอย่างที่พ่อหนูชักแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างออกแล้วอิฐแผ่นที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาฉันนั้นผู้ใดได้ราบยศแล้วไม่มัวเมาเอาราบยศนั้นช่วยเกื้อกูลอุดหนุนแก่ผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับสร้างรากฐานของตนให้มั่นคงแข็งแรง คนทั้งปวงก็จะยกย่องเชิดชูให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงตลอดไปดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อข้าพเจ้าสนทนากับเด็กน้อยมาได้เท่านี้หนายานได้รู้จักที่นั่นเดินตรงมาหาข้าพเจ้าทันทีเขานั่งลงกราบแทบเท้าของข้าพเจ้าแล้วก็นั่งก้มหน้า ร้องไห้เสีอึกสะอื่นอยู่คนเดียวเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามด้วยความตื่นใจเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนายบ้านไม่ได้ปริบ ป, ปากตอบคงร้องไห้ฟูงฝ่ายต่อไปคล้ายกับกำลังเสียอกเสียใจอย่างใหญ่หลวงมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นขอให้บอกอาตมาโดยเร็วเถิดอุบาสกอาตมายินดีที่จะช่วยเหลือท่านจนสุดความสามารถ นายบ้านเงยหน้าอันหนองด้วยน้ำตาขึ้นมองข้าพเจ้าอย่างวิงวอนแล้วก็กล่าวอย่างละล่ําละลักว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคำพูดของท่านแสดงแกเด็กเมื่อสักครู่นี้ทําให้ข้าพเจ้าสํานึกตัวขึ้นมาได้พร้อมกันนั้นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะกลั้นน้ําตาไว้ได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้บัวเมาในลาบยศ จนเข้าใจว่าตนดีวิเศษที่สุดแล้วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครข้าพเจ้าไดยใช้ทรัพย์และยศของตนเบียดเบียนบีบคั้นชาบ้านอย่างทารุณม า, มากแต่ข้าพเจ้าหาได้คิดไม่ว่าเป็นการทารุณกับยินดีปรีดาเสียอีกที่ได้เห็นความย่อยยับของ้าบ้านและเห็นบวญทรัพย์สมบัติที่หลามาเทมาอย่างมากมายข้าพเจ้าครองชีพ อยู่บนน้าตาของผู้อื่นอย่างแท้จริงเมื่อได้ฟังท่านแสดงเหตุผลกับเด็กจบลงความมัวเมาในจิตใจของข้าพเจ้าก็หายไปหมดสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกตัวขึ้นมาทันทีว่าตนได้ทําความชั่วร้ายอะไรบ้างท่านโดยช่วยยกข้าพเจ้าให้ขึ้นจากปรักแห่งความชั่วร้ายอย่างแท้จริงนายบ้านร้องไห้เสียใจต่อไปอีกสักครู่หนึ่งจึงกล่าวขึ้นอีกว่า ท่านผู้เจริญบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายเมื่อหวนระลึกถึงการกระทําในอดีตข้าพเจ้ารู้สึกสังเวชจิตระเกินข้าพเจ้าขอปฏิญญาณต่อท่านว่าตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําเช่นนั้นอีกข้าพเจ้าจะยกเลิกที่สินทั้งหมดที่ชาวบ้านมีต่อข้าพเจ้าให้เลิกแล้วต่อกันไปข้าพเจ้าจะแบ่งที่นา มอบให้เป็นสมบัติส่วนตัวของเขาทุกๆครอบครัวข้าพเจ้าจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาด้วยดีตลอดไปดูก่อนอุบาสกอัตมาไม่นึกเลยว่าคำพูดที่อัตมาพูด เ, ดเล่นๆกับเด็กจะสามารถเปลี่ยนจิตใจของท่านได้เช่นนี้อัตมาพูดไปตามหลักโดยไม่ได้เจตนาสอนผู้ใดดูเหมือนมองไม่เห็นท่านโดยซ้ำไปแต่อัตมาก็รู้สึกดีใจ ที่คำพูดของอาตมาสามารถทำให้ท่านสำนึกตนกลับเป็นคนดีได้อย่าร้องไห้เสียใจไปเลยอุบาสกอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้แล้วกันไปยังไม่สายเกินไปที่ท่านจะทําความดีล้างความชั่วที่ประกอบไว้ตั้งแต่หนหลังพระบรมศาสดาของเราได้ตรัสไว้ว่าคนบางคนมืดมาแล้วก็มืดไปคือทําชั่วมาก่อน แล้วก็ทําชั่วต่อไปพวกนี้ใช้ไม่ได้คนบางพวกสว่างมาแล้วก็มืดไปคือทําดีมาก่อนภายหลังกลับทําความชั่วพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้คนบางคนสว่างมาแล้วก็สว่างไปคือทําดีตลอดไปพวกนี้ถือว่าดีที่สุดคนบางพวกมืดมาแล้วก็สว่างไปคือทําชั่วมาก่อน ภายหลังกลับตัวได้แล้วตั้งหน้าทำความดีพวกนี้ก็ใช้ได้ดูก่อนอุบาสกท่านจัดเป็นคนประเภทสุดท้ายนี้ในอดีตท่านได้เดินมาในทางอันมืดมนแต่บัดนี้ท่านบรรลุถึงทางอันสว่างแล้วจงตั้งหน้าทำความดีต่อไปอุบาสกในบ้านก้มลงกราบข้าพเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เทศนาสั่งสอนให้เขาร่าเริงในสัมมาปฏิบัติแล้วจบลงด้วยสุภาษิตที่ว่าพึงชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยการถ่อมตัวพึงชนะผู้แกล้วกล้าด้วยการให้สามัคคีพึงชนะผู้ต่ำศักดิ์ด้วยการให้ของเล็กน้อยพึงชนะผู้เสมอด้วยความเพียพรพยายามดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็อำลากลับคืนสู่กระท่อมพัก ชากเจ้าของกระท่อมถามข้าพเจ้าใหญ่ว่าท่านไปทำงานได้ผลอย่างไรบ้างข้าพเจ้าก็ตอบว่าคอยดูก็แล้วกันว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่อัตมาได้ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดแล้ว รุ่งขึ้นนั่นเองนายบ้านก็เรียกประชุมชาวบ้านทั้งปวงที่สนามหน้าบ้านของตนเมื่อชาวบ้านนั่งประชุมกันพร้อมแล้วนายบ้านก็ลุกขึ้นหน้าตาของเขาเคร่งเคริมกว่าเดิมทําให้ชาวบ้านแทบทุกคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะอย่างไรเสีย ว, วันนี้นายบ้านผููถารุลคงจะหาทางขูดเลือดขูดเนื้อพวกเขาอีกเป็นแน่แต่เราทุกคนก็ประหลาดใจ แทบไม่เชื่อหูตนเองเพราะในบ้านได้ประกาศขึ้นว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าทุกคนที่เป็นหนี้สินข้าพเจ้าเป็นจํานวนเท่าใดก็ตามข้าพเจ้าจะไม่คิดเอาคืนจากท่านขอให้ท่านพ้นจากหนี้สินเป็นอิสระแก่ตนเองทุกๆคนฉะนั้นผู้ใดทํานาของข้าพเจ้าอยู่เป็นจํานวนเท่าใดขอให้เข้า ครอบครองถือสิทธิ์ในที่นาจํานวนเท่านั้นตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปในอดีตข้าพเจ้าได้ก่อกรรมทําเข็ยนไว้แก่พวกท่านมากมายบัตรนี้ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกตัวได้แล้วในความผิดเหล่านี้และรู้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงขอท่านทั้งหลายได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอรับรองต่อหน้าพระสุริยเทพว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้า จะไม่ทําเช่นนั้นอีกเป็นอันขาดจะตั้งใจให้การคุ้มครองแก่ท่านโดยทําสืบไปเมื่อในบ้านประกาศจบลงแล้วความเงียบสงัดยังคงปกคลุมอยู่ทั่วไปเพราะไม่มีใครคาดฝัน <innovation> ว่าจะได้ฟังคำพูดเช่นนั้นจากในบ้านผู้ทารุนจึงพากันตกตะลึงเพลึงเพิด จนกระทั่งในบ้านต้องยืนขึ้นกล่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านทั้งหลายจึงปล่งใจเชื่อท่านใดนั้นเองชาวบ้านทุกคนก็น้ําตาไหลด้วยความปลุ่มปิติพวกเขาตรงเข้าจับในบ้านแบกขึ้นบา่าและนําแห่แหนไปตามถนนในหมู่บ้าน ของกระท่อมกลับจากที่ประชุมเข้าตรงเข้ามากราบลงที่เท้าของข้าพเจ้าแล้วกล่าวสรรเสริญและขอบคุณข้าพเจ้าเป็นการใหญ่วันลุ่งขึ้นในบ้านพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งปวงได้พากันมาอาราธนาให้ข้าพเจ้าอยู่ประจําหมู่บ้านนั้นแต่ข้าพเจ้าหาได้รับไม่เพราะหน้าที่ของข้าพเจ้า คือการเดินทางท่องเที่ยวไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้อำลาจชาวบ้านเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่กรุงราชครื ูก่อนท่านผู้มีอายุสองวันหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็นำตัวเองไปถึงฝั่งแม่น้ำเนรัญชราขณะที่ข้าพเจ้าไปถึงก็เป็นเวลาบ่ายแดดกำลังร้อนจัดจึงแวะเข้ามานั่งพักใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำรู้สึกประหลาดใจมากที่เดบพบว่าไม่มีน้ำอยู่เลยในแม่น้ำมีแต่ทรายสีขาวที่กาลังร้อนระอุไปด้วยเปลวแดด จนแทบจะมองดูไม่ได้เนรัญชราควรจะได้ชื่อว่าแม่ทรายมากกว่าแม่น้ำแม้ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดแต่ภายใต้ต้นมะม่วงใหญ่ก็ร่มเย็นสบายดีมากข้าพเจ้าทอดกายลงนอนบนพื้นทรายอันนุ่มและเย็นสบายแล้วก็ส่งจิตระลึกถึงองค์พระบรมศาสดาพระองค์ได้ทรงประทับนั่งใต้ร่มโพลึก บนฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานี้แล้วก็ได้ตัสรู้พระสัมมาสัมพุธิยานเมื่อนานมาแล้วขณะที่ข้าพเจ้ากําลังนอนพักผ่อนอย่างสบายนั่นเองชายแก่ผู้หนึ่งก็ไล่ต้อนฝูงแพะผ่านมาเขาปล่อยให้แพะเข้ามานอนพักผ่อนหลบร้อนในร่มไม้ข้างๆและเขาก็ตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าพ่างพูดว่าดูก่อนสมณะท่านมาจากไหน และจะไปไหนหรือเขาถามพลางยกชายผ้าขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากอันดำครั้มและเป็นรอยย่นเพราะความชราอัตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชคลึโอ้มาจากสาวัตถีหรือเขาอุทานด้วยเสียงค่อนข้างดังแสดงความประหลาดใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลมากเข้าไปเจ้าเองยังไม่เคยไปสาวัตถีเลย แต่ได้ทราบว่าอยู่ไกลมากท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนมาด้วยละ่ะอาตมาเดินทางมาคนเดียวข้าพเจ้าตอบใช่แกมองดูข้าพเจ้าตั้งแต่ศีษะจดเท้าคล้ายกับจะบอกว่าไม่เชื่อในคำตอบของข้าพเจ้าแต่แล้วก็ถามว่าท่านเดินมาคนเดียวเช่นนี้ไม่กลัวหรือจะต้องกลัวอะไรเล่าข้าพเจ้าย้อนก็กลัวอันตรายต่างๆเละสิ เช่นโจรผู้ร้ายสัตว์ร้ายอาตมาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะให้เขาปร้นสะดมมีแต่บาทและกีวอนเท่านั้นถ้าเขาต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะให้อาตมาไม่กลัวสัตว์ร้ายเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นแย่งชิงมีแต่ศรีศรษะร่างกายนี้เท่านั้นแม้ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะสละให้เหมือนกัน คำตอบของข้าพเจ้าทําให้ชายแก่นั่งลิ่งไปทีเดียวเขาเพ่งมองข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้นแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนสมณะถ้าท่านไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ท่านก็เป็นคนกล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบมาดูก่อนท่านอุบาสกคนเราทุกคนกลัวอันตรายกลัวภัยพิบั ต, ติต่างๆยอดของอันตรายก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายเสียแล้วอันตรายอย่างอื่นๆ ก็หามีความหมายไม่ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่กลัวความตายเลยสิอัตมาไม่เคยกลัวความตายเพราะอะไรลึท่านสมณนะใช่แก่ถามพรางขยับเข้าใกล้เข้ามาเจ้าเข้ามาอีกเพราะอัตมาคุ้นเคยกับความตายเสียแล้วหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งจนเคยเสียแล้วอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ในชีวิตนี้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 คือ9191ที่เราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีความตายก็คือความจริงแห่งชีวิตเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วอัตมาจึงไม่กลัวความตายอืมน่าฟังชายเจ้าของแพะอุทานพลางพงกศีรษะขึ้นลงแสดงว่าเห็นด้วยแต่ยังถามต่อไปอีกว่าเพียงแค่ระลึกความตายบ่อยๆเช่นนี้ทําให้ใหายความหวาดกลัวได้หรือ ข้าพเจ้ายัางมองไม่เห็นเลยว่าจะทำให้หายกลัวได้อย่างไรถ้าท่านทำบ่อยๆจนคุ้นเคยกับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญเสร็จแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียว